Thank <laughs> you.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 เมื่อคณะทูตคณะแรกเงียบหายไปพระราชาก็ส่งทูตคณะที่สองที่สาต่อๆกันมาเป็นลำดับจนกระทั่งถึงชุดที่9 ก, ก็หายไปอีกเพราะท่านเหล่านั้นได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วพากันบวชหมดทั้งสิน้นพระราชาจึงพิจารณาเลือกเฟ้นตัวทูตคนที่สิบที่จะคุมคณะไปทูลเชิญสมเด็จพระปิโยรสทรงพิจารณาเห็นว่า กาลุทธายีอมาต์ผู้มีอายุประมาณ35หรือ36ปีมีผิวคล้ำเป็นผู้เฉลียวฉลาดแตกฉานในอักษรสมัยเคยเป็นพระสหายร่วมพระฤาัยของพระราชอรสมาเตยาวัยกาลุทธายีผู้เกิดในนครใกล้หิมาลัยบันพดอันควรมีผิวกายขาวแต่มามีสีคล้ำไปนี้อาจจะหาทางเจรจาเชิญเสด็จได้ด้วยปัญญาของตนจึงมีพระดารัส ให้การลุทายีออมบาดม า, มาสั่งกำชับให้ไปทำการให้สำเร็จจงได้การลุทายีทูลขอประธานพรว่าหากทรงอนุญาตให้บวชได้เมื่อต้องการบวชตนก็จะรับปฏิบัติตามพระราชองค์การทูลเชิญสำเร็จพระโอรสมาให้ได้เมื่อพระราชาประธานอนุมัติแล้วการลุทาเยพร้อมด้วยบริวารก็ ข, ขึ้นม้าเร็วรีบไป ระหว่างทางอีกหนึ่งโยอจะถึงเขาชิจกูดดวงตะวันบ่ายคล้อยไปทางด้านตะวันตกมองเห็นขุนเขาซึ่งแวดวงล้อมกรุงราชกรืเป็นคอกอยู่เบื้องหน้าทุกคนมองขม้นไปยังมหานครนั้นเป็นเชิงใคร่ครวนถึงสามัญญาของราชกรือันจนทั้งหลายเรียกร้องกันอีกอย่างหนึ่งว่าคิริพัชนาครคือเมืองอันมีคิรีเป็นประหนึ่งรั้วคอกล้อมอยู่อย่างมั่นคง ยากที่ศัตรูจะรุกรานแม้กระั่งมหาอํามาตย์ของกรุงราชครึ่ก็ยังไม่ไว้วางใจถึงกับไปสร้างเมืองหน้าด่านวิริมฝั่งแม่น้ํำคงคาตอนปาตลิคามอันเป็นแดนต่อแดนระหว่างแคว้นวัชชีกับมคตเพื่อป้องกันการรุกรานของเจ้าฤาวีกาลุทายีอํามาตย์หันไปบอกแจ บ, บริวารชนว่าเบื้องหน้านั้นไม่ไกลนักเมื่ออ้อมอีกหน่อยหนึ่งก็จะถึงป่าไผ่อันเป็นที่ประทับแห่งพระสาเกโยรถ ผู้ตัดสรุปทำพอดีมีชายชราคนหนึ่งสวนทางมาการุฑายีจึงถามว่าท่านผู้เจริญพระาศาสดายัางประทับอยู่หน้าป่าไผ่ข้างหน้านา น, นหรือไฉนดูก่อนอคันตุกะผู้มาแต่ราบภิมาัยบรรพศพระาศาสดายังคงประทับอยู่ในที่นั้นในระยะนี้มีผู้มาจากกบิลพัฒและบวชมากมายหลายชุดแล้วเชรอยท่านจะบวชอีกระมังท่านผู้เจริญ ท่านพอจะเล่าให้ฟังย่อๆได้หรือไม่ว่าพระบรมศา ส, สดานั้นทรงสอนอย่างไรดูก่อนอคันตุกะอย่างต่ําที่สุดทรงสอนให้คนอยู่ร่วมกันด้วยการไม่เบียดเบียนข่มเหงกันอย่างกลางทรงสอนวิธีที่จะให้ประสบสิ่งที่ปรารถนาอันน่าใคร่น่าพอใจต่างๆที่คนมุ่งหมายกันด้วยการชี้ข้อปฏิบัติอันมีเหตุผลอย่างสูงทรงสอน ให้ละความปรารถนาต่างๆนั้นเสียไม่เป็นทาตของความอยากใดๆการลุทธายีนิ่งอึ้งอยู่ครู่หนึ่งแล้วประคองอัญชลีกล่าวขอบคุณชายชราและลาควบมาต่อไปแต่ในหูนั้นแววอยู่แต่คำเหล่านั้นเกิดความเลื่อมใสท่วมทน้นขึ้นมาในดวงกิจอยากจะตะโกนให้กล้องขึ้นไปบนป่าว่าเราทำไมมาเพราะพระปรมศาศด h ช้านักเพียงแต่คาไม่จีคา ที่ชายชรากล่าวเท่านั้นก็เป็นประหนึ่งน้ำทิพมาชลมดวงใจของการุธายีให้สดชื่นมิใช่เราคนเดียวกันนี้หรือที่อยากได้ใครดีในเรื่องชื่อเสียงกิตติคุณปรารถนาแต่ลาบยศและสรรเสริญทำอะไรดีไม่มีใครรู้ใครเห็นและชมเชยก็ระทมใจเปล่งอุทานแต่ว่าทำดีไม่เห็นได้ดีจะไปในที่ไหนไม่มีใครมาต้อนรับพนาพนอ ก็รู้สึกว่าหงุดหงิดและชักจะน้อยเนื้อต่ำใจผ่านโกรธคนนั้นคนนี้ว่าทำไมไม่รู้จักแม้แต่จะเข้าเฝ้าในราชสำนักก็ต้องให้อยู่แถวหน้าหน้าจึงจะสบอารมณ์ตลอดวันและคืนที่ล่วงไปก็ล้วนแต่เฝ้าคิดจะให้คนโน้นชมคนนี้ตื่นคนนี้ตื่นเต้นในความเจงกาดของอัตมาโอการุธายีนี้ไม่ใช่หรือที่อดหลับอดนอนคิดครุ่น รจนากาบอันไพเรอะต่างๆด้วยหวังจะให้ชื่อเสียงเรื่องระเบอือไปทั่วทิศถ้าเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีกําลังเป็นโรคจิตอ่อนๆที่อยากโน่อนอยากนี่มีรู้วายดอกหรือถ้าในธรรมะชั้นสูงทรงสอนให้เลิอกอยากที่แล้วมาแล้วไม่กลายเป็นว่าเราเที่ยววิ่งหาเสเลดน้ําลายที่ท่านผู้หายอยากเหล่านั้นทมทิ้งไว้มาเกลืนจินด้วยนึกว่าอริดอร่อย หรือชั้นใดไม่ใช่เราดอกหรือที่เคยไปประนมมือเบื้องหน้าเทวาลุไลอันหมู่ชนนับถือแล้วนึกอ้อนวอนขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งพระศาษษษสดากลับสั่งสอนในทางตรงกันข้ามที่ไม่ให้ต้องไปอ้อนวอนขอร้องอยากได้อะไรกาลุทายีเร่งม้าหนักขึ้นจนบริวารที่ไปด้วยตามเกือบไม่ทันในจิตใจนั้นท่วมทน้นไปได้ปีติอยากจะไปกราบพระบาท ให้ทัน อ, อกทันใจยิ่งขึ้นแม้ม้าก็คงรู้สึกแปลกใจว่าผู้ขับขี่ของตนซึ่งไม่เคยหึดฮัดเคยปล่อยให้วิ่งไปบ้างพักบ้างเหตุฉไฉนจึงกระตุ้นเตือนเหมือนหนีฆ่าศึกคิดต่อไปอีกถึงยามเป็นกุมานรุ่นเจริญวัยมิสหายไม่ไปมาหาสู่ก็กลุ้มอกกลุ้มใจว่าเราทำไมจึงอาภัพนักและยิ่งในยามที่มีความสนใจในผู้ที่ตนชอบ ก็เต็มไปด้วยความระแวงอย่างนั้นอย่างนี้ประเดียวดีใจประเดียวเสียใจเป็นเชิงสามวันดีสวันไข้ด้วยเรื่องสมหวังกับพลาดหวังอยู่นึ่งนิดก็พระบรมศ า, ศาสดาทรงสอนให้อบรมจิตให้เลิกทะเยอทะยานยากจะทำอะไรก็ทำไปตามหน้าที่ดังนี้ไม่เป็นการดีดอกหรือที่เท่ากับสอนให้ไม่ต้องพลาดหวังเพราะไม่มีอะไรจะพลาดในหมู่คนที่เป่าประกาศอยู่คือก้องว่าตน ทำความดีแล้วไม่เห็นได้ดีนั้นบางทีเราจะพบว่ามีเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้ทําดีเป็นเนื้อหนังอะไรเลยพอทําดีเข้าสักเล็กน้อยก็ดูเหมือนจะตะกนร้องหาผลที่มุ่งหมายติดขึ้นมาทันทีนี่ก็แปลว่าความอยากได้วิ่งออกหน้าความชิดที่จะทําดีอย่างจริงใจนั่นเองเมื่อทําดีเพราะเป็นธาตุของความอยากอย่างไรเสียผลดีก็คงเกิดไม่ทันกับความอยากนั้น และอย่างไรเสียก็คงไม่ได้ทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจระยะทางเพียงไม่ถึงโยดดูเหมือนช่างไกลกว่าหนทางห้โยดซึ่งได้เดินทางผ่านมาแล้วเป็นอย่างยิ่งขบวนมา้าอันนับด้วยสิบสิบซึ่งครอบเต็มฝีเท้าในตอนหลังนี้นั้นได้ทำให้ใชายชราหันมามองเห็นแต่กลุ่มฝุ่นอันปลิวอยู่เบื้องหลัง รุ่งขึ้นชาวกรุงราชครืต่างโจทย์ขานกันอยู่ทั่วไปว่ามีอํมมาศพร้อมด้วยบริวารจากกรุงกบิลพัทมาบวชอีกเป็นชุดที่สิบแล้วภายหลังที่ได้สดับพระธรรมเทศนาในตอนเย็นที่ตนมาถึงนั้นอํมมาศผู้มาบวชครั้งหลังนี้พอเห็นพระาศาสดายังไม่ทันได้ฟังธรรมก็มีน้าตาอาบหน้าด้วยปีติตรงเข้าถวายบังคมและก่อนพระบาทพระาศาสดาและล่ําละลกกราบทูลความหลัง ที่เคยเป็นพระสหายสดิทมาตั้งแต่อย่างยาวครันได้ฟังพระธรรมเทศนาตรัสรู้ตามพระพุทธโอาวาทแล้วก็ทูลขออุปสมบทเมื่อพระาศาสดาเสด็จออกจากกรุงพระณศีนั้นฤดูฝนยังเหลืออีกหนึ่งเดือนพระองค์มาประทับอยู่ณตำบุรุเวลาอันเป็นที่ซึ่งทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรยดินพันรูปเป็นเวลาสามเดือนครันวันเพ็ญกลางฤดูหิมะ สเสด็จมาประทับณ ก, กรุงราชคฤื้เมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายเบลุวันแล้วก็ยังเวลาส่วนมากให้ล่วงไปณที่นั้นในวันที่ท่านการุธายีอํามาศมาถึงที่ป่าภัยนั้นฤดูหิมะล่วงไปแล้วย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิได้เจ็ดปดวันแล้วท่านการุธายีมารำพึงว่าบัดนี้ชาวนาก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวกล้าเสร็จแล้วหนทางที่จะเดินไปทางราบเรียบดี ทั้งพื้นปตพีก็เช่อุ่มไปด้วยตินชาติอันเขียวสดพฤกษาฤดาวันในไพรสนก็กำลังออกดอกเบ่งบานเป็นที่จเจริญตาจำเราจะทูลอรัธนาให้พระทศพลเสด็จไปโปรดพระประยุรญาตเมื่อดำริ ด, ดังนั้นแล้วจึงคิดผูกคำฉันอันไพโรกพนาป่าภูมิสถานและระยะทางระหว่างราชครืถึงกรุงกบิลพัททุกทุกบท ลงใช้ด้วยคําเชิญชวนเป็นต้นว่าสมยโยมหาวีระกพระขีรสานังข้าแต่พระมหาวีระบัตดนี้เป็นสมัยอันควรแก่พระพระขีรถแล้วพระเจ้าข่าเอสการโลมหามุนีข้าแต่พระมหามุนีบัตดนี้เป็นการอันควรแล้วพระเจ้าข่าเมื่อมีโอกาสจึงเข้าเฝ้าสำเด็จพระบรมศาสดา กล่าวสโลกทูลให้ระลึกถึงการอันควรสมเด็จพระบรมศ า, ศาสดาตรัสถามความที่พระพุทธวิดามีประสงค์จะให้ทอดพระเนตรดังนี้แล้วยังมีพระพุทธรำรักให้พิจารลายเตรียมออกเดินทางในขณะนั้นพระสาวกที่พำนักอยู่ด้วยเป็นชาวอังคะมะคตและชาวกบิรพัทล้วนเป็นพระขีณาศพระยะทางจากเวลุบนารามไป60สโยธกาหนดว่า เดินอย่างสบายบรรยโยต์จะถึงภายในสองเดือนแต่พระการุฑายเถระกราบทูลลาลูกหน้าไปก่อนเพื่อแจ้งข่าวเสด็จแก่พระราชาและพระปยุรญาติชาวกรุงกบินรพัฒน์ไม่ได้ทราบข่าวก็พากันร่าเริงเร่งวันเร่งคืนขอให้เสด็จมาถึงต่างก็กะการไปต่างๆกันบางคนกำหนดว่าจะไปเยืนตรงนั้นตรงนี้ถ้าเสด็จผ่านก็จะขอให้ส่งรูปศีรษะบุตรน้อยของตน กล่าวถึงพระนางเจ้าจษวัตราผู้จงรักภักดีในพระสุคตเจ้าจําเดิมแต่พระหมหาบุรุษเสด็จออกวันพระชาเมื่อพระนางทราบว่าบัดนี้พระสวามีทรงครองผ้าย้อมฝาดก็ทรงนุ่งหม่มผ้าย้อมฝาดบ้างทราบว่าพระสวามีเสวยพระกิจฐารเพียงมื้อเดียวก็เสวยเพียงมื้อเดียวบ้างทราบว่าพระสวามีเว้นที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ เครื่องไล้ทาสุขนธชาติพระนางก็บรรทมบนเตียงที่ปู ล, ลาดด้วยแผ่นผ้าแทนฟูกนุ่มและสำลีและมิได้ยินดีจะประพรมรูปไร้พระองค์ด้วยเครื่องหอมดังแต่กอนเมื่อมีข่าวว่าพระสถาคตเจ้าจะเสด็จมาถึงกบินรพัฒน์ความดีใจอันรัคนได้ความโศกคำสดก็ประดังขึ้นมาท่วมทนพระกรกอดพระราหุลปิโยรถแจ้งข่าวให้ทราบแล้ว ก็สอนอให้พลางสอนให้คอยทูลขอราชสมบัติจากพระสวามีเมื่อเสด็จมาพระประยุร ญ, ญาตอื่นๆก็จับกลุ่มปรึกษากันไปต่างๆบ้างสั่งโอรสนัดด่าว่าถ้าพระมหาบุรุษเสด็จมาขอให้เจ้านั่งข้างหน้าแล้วถวายอัญชิีส่วนเราจะนั่งหลบๆดูทีอยู่เบื้องหลังเพราะสูงอายุกว่าจะไหวเด็กก็ดูอย่างไรอยู่เหล่ากระบดีและพานิช มีความปลาบปลื้มที่จะได้ชมบุญบา ร, รมีของพระมหาบุรุษแม้พยายามจะไม่ตื่นเต้นในข่าวนี้แต่เมื่อเดินเข้าเดินออกในคีหัสถานแห่งตนก็ไม่วายจับนู่นจัดนี่ให้เป็นระเบียบดียิ่งขึ้นบริเวณหน้าบ้านร้านค้าอันเคยรกรงรังอยู่บ้างก็ทำความสะอาดกันกุลาหนผู้ใดไม่ประสงค์จะแสดงตนต่อชุมชนก็เตรียมดูตามทางบัญชรชั้นสองชั้นสาตามถนัด ข่าวที่มีผู้โลงหน้ามาบอกว่าบัดนี้พระสถาคตเจ้าเสด็จมาถึงตำบล น, นั้นตำบล น, นี้แล้วก็เป็นที่รู้กันทั่วไปเป็นข่าวใหญ่ต่างเตรียมคอยดูเจ้าชายผู้เป็นที่รักของตนให้เต็มตาอีกท่านหนึ่งซึ่งควรกล่าวถึงคือพระราชาผู้เท่าแห่งกบิลพัทครั้งหนึ่งเคยทอดอาลายัยในพระชนม์ชีพว่านับวันใกล้การอาวสานลงทุกที ความหวังอันเคยรุ่งโรดที่จะได้เห็นพระชาโอรสผู้มีพระสนะอันควรแจความเป็นเจ้าจากักรพรรดิได้ปราบดาพิเศษครองขันทศีมามีสมุดสาครทั้งส เ, เป็นขอบเขตนั้นได้ถลายลงสิ้นแล้วจำเดิมแต่การที่พระมหาบุรุษเสด็จออกผนวดแต่แม้สิ้นหวังเช่นนั้นก็ไม่อาจตัดความเยื่อใยอาลอยรักในสายโลหิตของพระองค์ได้แต่ครวนคร่าในภายในอยู่มีเว้นวาย การส่งคณะทูตไปถึงสิบชุดโดยเร่งร้อนนั้นก็แสดงอยู่ว่าทรงกระวนกระวายเพียงไรที่จะได้เห็นพระโอรสแม้ไม่ใช่อยู่ในฐานะพระเจ้าจั ก, กรพรรดิผู้ครองโลกแต่ในฐานะพระจักรพรรดิผู้หมุนกลงล้อแห่งธรรมก็ยังดี ฤดูใบไม้ผลิในกรุงกบิลพั์เมืองเหนือที่มีหิมะเพิ่งหยุดตกแม่น้ำโรหินีมีกระแสคลายเชี่ยวและลดระดับจากเดิมลงไปบ้างแต่ก็ยังลึกพอที่จะใช้ประโยชน์ได้หลากหลายประกอบกับท้องน้ำเป็นสายอยู่ทั่วไปน้ำจึงค่อนข้างใสยเย็นหน้าลงสนานกายในยามร้อนไม้ใหญ่น้อยกำลังปริใบปริดอกออกช่อมองดูมีรู้เบื่อป ร, ราศาสตร์สามหลัง ยังคงตระงานอยู่แม้เจ้าของจะจากไปแล้วสะบกกรณีอันปลูกบัวขาบบัวขาวและบัวหลวงแต่และสะเล่าก็ยังคงมีความงามตามธรรมชาติเหมือนดังเดิมในที่สุดวันอันขนทั้งหลายตั้งตารอคอยก็มาถึงพระาศาสดาพร้อมด้วยพระสาวกทั้งปวงนับจำนวนมากมายก็เสด็จถึงกรุงกบิลพัฒน์แม้ราชบุรุษจะคอยกันผู้คน ไม่ให้มามุงแน่นกีดขวางลูกทางก็จริงแต่สองฝั่งทางก็เต็มไปด้วยผู้คอยชมพระบารมีคนชราบางคนดีใจถึงกับเสื้ออื่นประคองอัญชรีและจ้องดูเสียเต็มตาเด็กน้อยซึ่งร้องเจงกวนใจบรรดาบิดาเล่าก็พลอยเงียบตะลึงแลไปตามผู้ใหญ่พระศ า, าสดาสเสด็จมาแล้วนี่นี่หรือเจ้าชายศิท ธ, ธะผู้มีพระเมตตากรุณาต่อปวงชน แมระยะการหกปีที่เสด็จจากไปและการที่ทรงลำบากตรากตรำจะทําให้พระชวีคลําไปบ้างแต่ก็ดูเหมือนจะเพิ่มความสง่าให้แก่พระพักซึ่งดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้คลายความงามลงเลยบ้างก็ชี้ให้กันและกันดูว่านั่นอย่างไรเล่าพระภิกษุรูปที่เดินตามใกล้ชิดคอยชี้กราบทูลให้เสด็จทางโน้นทางนี้คือท่านกาลุทธายมหาอั ม, อมรปู่ผู้เป็นทูต ไปทูลเชิญแล้วออกบวชหมู่ภิกษุที่เดินสำรวมตามเสด็จส่วนมากอยู่ในวัยหนุ่มมีท่วงทีและผิวพรรณแสดงความเป็นผู้มีสกุลมหาชนยิ่งเหนื่องแน่นขึ้นทุกทีไม่เป็นอันซื้อขายหรือเจรจาให้เป็นที่ตกลงกันได้ต่างมาสนใจแต่จะแลดูพระมหาบุรุษเมื่อพระองค์เสด็จเลี้ยวไปตามถนนชายกรุงบางสาย แล้วก็ถึงสวนไม้ดอกไม้ผลอันได้นามว่านิโครทารามเป็นอุทยานอันกว้างขวางเจริญตาควรเป็นที่พำนักแห่งพระศาสดาและพระสาวกผู้พอใจในวิเวกสากยราชได้เตรียมการต้อนรับณที่นี้ทางเดินในภายในอุทยานก็เรียบราบเตียนสะอาดกุฏิน้อยๆมีเรียงรายอยู่ทั่วไปพอที่จะให้พระเถระ พ, พุทธสาวกเข้าพำนักเป็นรายรูป หรือท่านองค์ใดประสงค์จะอยู่โคนไม้ใหญ่อันร่มรื่นก็อาจจะหาที่ฉนั้นได้สะดวกน้ำใช้น้ำฉันอันสะอาดมีไว้ให้พร้อมในที่ใกล้พระกุฏิที่ประทับของพระศาสดามีสารลาโถงใหญ่อันประดับไว้เป็นพิเศษในขณะนี้ ชาวพระนครทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ไหลหลั่งตามเสด็จเข้ามาเนืองแน่นครั้นแล้วกลุ่มราชกุมารราชกุมารีมีพระประยุร ญ, ญาตผู้ใหญ่ปนมาก็เข้าเฝ้านั่งรถหลั่นกันไปดูลานตาเหลือที่จะนับประมาณสมเด็จพระพุทธบิดาเสด็จมาถึงและประทับเบื้องหน้าชนทั้งปวงพระศาสดาได้ทรงทักทายปราศัยด้วยพระสำเนียงอันชวน ไม่มีจิตใจชื่นบานพระพักที่อิ่มเออไปด้วยแววแห่งพระเมตตากรุณาและพระลักษณะอื่นๆ อ, อันสำแดงความเป็นพระหมหาบุรุษได้เป็นเหตุทำลายมานาทิฐิของพระประรยชน์ผู้ใหญ่เสียสิ้นเมื่อได้สะดับพระพุทธดีกาปราศัยอันเป็นประหนึ่งทรงโปรยที่พยาวารีลงมาจากอากาศเช่นนั้นต่างก็พากันก้มลงกราบกรานด้วยความเลื่อมใสอันพิเศษ เฉพาะพระพุทธบิดานั้นเล่าความอิ่มเอมเปลื้มเปลา่าที่ได้เห็นพระอรรถเสด็จมาโปรดสมพระประสงค์ด้ทอดพระเนตรเห็นชนทั้งปวงแสดงคาระวะยิ่งกว่าในฐานะเป็นกษัตริย์ความทุกขุมมนัตอันใดที่สูงอยู่ในพระอุระเป็นเวลาแรมหลายปีอาการนั้นๆก็กลายเป็นสมมนัตยินดีสุดที่จะประมาณเมื่อพระอรรถกล่าวธรรมะโปรดพระประยุร ญ, ญาตและประชาชาวพระนครให้ได้ชื่นบาน เหตุอัดเห็ตุรมนั้นจึงไม่ได้เป็นอันตั้งพระหฤทัยกําหนดตามพระธรรมเทศนาได้แม้จะมีผู้ได้ตรัสรู้ตามเป็นอันมากพระราชาผู้เท่าก็ไม่ได้ตรัสรู้อะไรคงได้แต่เสด็จกลับมาปราศาสตร์ด้วยความเบิกบานยิ่ง วันรุ่งขึ้นเมื่อพระศ า, าสดาเสด็จไปบิณฑบาตในกรุงกบิลพัทพระบิดาทรงทราบเสด็จมาตัดพ้อว่าทําให้เสื่อมเสียพระเกียรติในการที่ไปเที่ยว บ, บิณฑบาตเช่นนั้นพระศา ส, าสดาก็ทรงชี้แจงให้ทรงทราบถึงพระพุทธเจริยาที่จะทรงโปรดประชากรทุกเหล่ามิได้เลือกหน้าครั้นแล้วจึงทรงแสดงทำโปรดพระพุทธบิดาให้ได้ดวงตาเห็นธรรมต่อจากนั้นพระพุทธบิดา จึงนำเสด็จไปโปรดพระนางเจ้าพิมพาผู้จงรักส่งแสดงธรรมถอนลูกสอนคือความโศกศีหาของพระนางให้ได้ธรรมจักสู่แล้วก็เสด็จกลับนิโครทารามในเวลาไม่กี่วันพระราหุนพุทธโอรสพระนันทะและพระประยุรญาตอื่นๆที่เป็นรุ่นพระอนุชาก็พากันพนวดตามรอยพระบรมสุคตนี้คือข้อความ พา น, นาพระประวัติตอนหนึ่งซึ่งครับพระเจ้ากล่าวจะท่านทั้งหลายในวันราบนา บ, บมีอันเวียนมาถึงนี้ท่านพ ร, รามผู้เท่าได้กล่าวจบลงด้วยอัญชลีเนหนือาณลาดแล้วเปล่งวาจานมัสการแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธพระองค์นั้น